ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติผู้รักษาตัางแต่ศีลบริสุิสขึ้นไปถึงเนถึงพระใ ห, ให้ให้นั่งให้นอนที่นั่งที่เหนือที่นั่งที่นอนอันใหญ่ภายในายายตย้นนุ่นและสัมและสัมลีนั้นกันกลัวว่าผู้ปฏิบัติธรรมจะมีความประมาท เพลินในการหลับนอนจนเกินไปยิ่งกว่าที่จะเคลินในความภ้าเปลี่ยนของตนพระองค์ทรงหาอุบายห้ามทุกแน่ทุกมุมซึ่งเป็นทางที่เพิ่มพูนกิเลสทั้งหลายพยายามตัดหนทางที่จะเพิ่มพูนกิเลสของผู้ปฏิบัติธรรมทั้งทั่วไป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 ด้ความอ่อนแอแม้แต่สอนฝ่ายคารวาสก็สอนด้วยความขยันหมั่นเพียรทั้งนั้นเราจะเห็นได้ท่านเช่นท่านสอนคารวาสในบทธรรมว่าอุท ธ, ธานสัมปทาเนี่ยให้ถึงพร้อมด้วยความขยันหมัน่นหมั่นเพียรในกิจการงานที่ชอบเนี่ยรักษสัมปทาเนื้ แสวงหาทรัพย์สมบัติมาได้แล้วด้วยความชอบธรรมให้พยายามเก็บหอมรอมิตรอย่าแค่ซุรุซูไลคันรยานามิตร ต, ตาให้ระ ม, มัดระวังอยา่าคบให้คบเพื่อนเฉพาะเพื่อนที่ดีงามเท่านั้นระวังพวกปลาผมมิตรจะเป็นเหตุให้เสียได้นะเพราะคนเราเมื่อคบกันไปนานย่อมกลมคกนเป็นไปในรอยเดียวกันได้ เป็นทางคนดีและคนชั่วมีเป็นไปได้ทั้งสองทางคือควบคนชั่วก็เป็นคนชั่วไปได้ควบคนดีก็เป็นคนดีไปได้สมัชชีวิตาให้เลี่ยงชีพพอประมาณอยา่าซูดูชิล่าหรือกุ้งเฟอร์เหืมลืมเนื้อลืมตัวการเก็บทรัพย์เป็นสิ่งสําคัญให้รู้เหตุผลที่ควรเก็บเหตุผลที่ควรจ่ายนะ่ะเอาฟังดิมีจุดไหน ที่พระพุทธเจ้าสอนให้ควมีความลืมตัวไม่มีเพราะฉะ น, นั้นคําว่าประหยัดมัธยัติจึงเป็นหลักประกันแห่งการคลองชีพของบุคคลทั่วไปตลอดถึงผู้ปฏิบัติคือความไม่ลืมตัวจะมีมากมีน้อยให้มีความประหยัดมีความมัธยัตให้รู้จักวิธีใช้สอยให้เป็นความสุขบรรดาสมบัติเงินทองมีมากมีมากน้อยอย่ากให้เป็นค่าสุขแก่ตนเพราะความลืมตัวนั้นเลยนี่ เทศสอนคารวต่างสอนอย่างนี้แล้วเข้ากันได้ทั้งพระด้วยเพราะทมเป็นภาคทั่วไปแล้วจะยึดปฏิบัติให้เหมาะสมกับทมขั้นใดหรือการหลีกใจหรือผู้ปฏิบัติในขั้นในไดได้ทั้งนั้ น, นเวลาสอนพระยิ่งมีความเข้มแข็งมากขึ้นให้มีความประมากอุบายวิธีที่จะ กันทางไหลก็ล่วไหลก็ามาเห็นกิเลสทั้งหลายเพราะมันที่มันมีอยู่แล้วนี่ก็พยายามที่จะฉุดจะลากมันออกยากมากมายกาดกองไม่มีอันใดที่จะเหนียวแน่นยิ่งกว่ากิเลสภายในจิตใจของสัตว์โลกวิธีถอดถอนกิเลสนี่ก็ต้องลาบากยากยิ่งกว่าถอดถอนสิ่งใดแันจึงพยายามไม่ทำสิ่งที่ยังไม่มีไม่ให้ไหลเข้ามา สิ่งที่มีอยู่แล้วก็พยายามลื้อถอนออกด้วยความภาคเพียรด้วยความอุตสาห์พยายามนะัความขยันความอดความทนความเฉลียวฉลาดนะัไม่ให้นอนใจทั้งนั้นในอปันนกกะปฏิปทาที่ท่านสอนไว้สําหรับผู้ปฏิบัติเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือสอนพระอปันนกกะปฏิปทาคือการปฏิบัติไม่ผิดปฏิบัติโดยความสม่ําเสมอ ตั้แต่ปฐ ม, มยามมายามในปฐมมายามทั้งหมดให้ประกอบความเพียรจะเดินจงกรมก็ได้สมนดังสมาธิภาวนาก็ได้พอมข้าเขามชจิมายามพักพอปัฐิมายามก็ตื่นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเรื่อยไปตอนกลางวันก็ทำนองเดียวกันหากจะมีการพักผ่อนบ้างในเวลากลางวัน ก็พักได้แต่ระมัดระวังปิดประตูให้รักษาอายาธในการพักนอนท่านสอนได้โดยลำดับการปฏิบัติโดยส ม, ม่ำเสมอเช่นนี้ชื่อว่าอัญญกะปฏิปทานผู้ที่จะรีบเร่งยิ่งกว่านี้ในบางการนั่นเป็นยิ่งเป็นความชอบยิ่งขึ้นไปแต่ย่อนกว่านั้นท่านไม่ได้สอนว่าให้ย่อนกว่านี้ได้ยินแล้วอยากหลับอยากนอนเมื่อใดก็นอนอยากกินอยากขบอยากฉันแล้วก็ฉันไปเถอะเลี้ยงไปเถื่ออย่าง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 จนได้ผลเป็นที่พอพระไทยผลที่พื้นเรื่รับก็ถึงขั้นศาสดาเมื่อได้ทรงประสบพบเห็นมาด้วยความปฏิบัติหรืออุบายใดพระองค์ก็นําข้อปฏิบัติหรืออุบายนั้นๆมาสั่งสอนชาวโลกว่าเป็นการถูกต้องแม่นยําไม่ผิดถ้าได้ปฏิบัติได้ปฏิบัติตามแนวทางที่สถาคตได้แสดงมาแล้วนี้น่นท่านจึงเรียกว่ามัชชิมา คือเหมาะสมอย่างยิ่งกับการแก้กิเลสทุกประเภทด้วยอุบายวิธีต่างๆ ต, ต, ตามขั้นของกิเลสที่ยากด้วยละเอียดเพราะคำว่ามัชชิมานั้นต้องหมายถึงความเหมาะสมกับการแก้กิเลสด้วยสติปัญญาสัทธาความเปลี่ยนของตนกิเลสประเภทใดที่หนานแน่นหรือที่เหนียวแน่นแก้ยากก็ต้องทำให้หนักมือเช่นเดียวกับเขาถากไม้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 การลบหรือการแก้อย่างหนักถึงจะพอกันหรือเหนือกว่ากิ่เหลวประเภทนั้นๆมันถึงจะหยอนอย่างนี้ก็ต้องทําถึงการเวลาที่จะต้องทําอย่างนั้นก็ต้องทําจะทําให้เบากว่านั้นไม่ได้นี่ท่านก็เรียกมัชชิมาสําสหรับที่เหลวประเภทนี้การนี้เวลานี้มันเกิดขึ้นเช่นนี้เราต้องใช้วิธีการแบบนี้ถึงจะทันกันหรือสามารถปราบตามมันได้ด้วยวิธีการนี้วิธีการนี้เรียกว่ามัชชิมาของกิ่เหลวประเภทนี้ แล้วเป็นไปโดยลําดับกิเลสประเภทหยาบ ก, ก็ต้องใช้ม า, มาชิ ม, มาแบบทันกันกับกิเลสประเภทนี้หรือเรียกว่ามาชิ ม, มาส่วนหยาบส่วนกลางก็ใช้สติปัญญาศรัทธาความเพียรให้เป็นไปตามนั้นพอให้กิเลสดุดลอยไปได้ด้วยข้อปฏิบัตินั้นๆท่านเรียกว่ามาชิ ม, มาสําหรับกิเลสขั้นนั้ น, นถึงขั้นละเอียดสติปัญญาก็ต้องละเอียดความเพียรก็ต้องละเอียดลอนั่งอยู่ที่ไหนก็เป็นความเพียรไปหมด ไม่ว่าแต่เดินจงกรมแล้วถึงจะเรียกว่าความเพียรนั่งสมาธิอยู่ถึงจะเรียกความเพียรนั่งอยู่ก็ตามยืนอยู่ก็ตามเดินอยู่ก็ตามไม่ว่าเอียบดตใดๆเว้นเสียแต่หลับเท่านั้นต้องเป็นความเพียรโดยตลอดไม่มีระยะใดที่จะไม่ทําความเพียรด้วยสติด้วยปัญญาซึ่งเป็นหลักอัตโนมัติเกิดขึ้นอยู่กับตนเพื่อแก้ที่เหลือซึ่งมีอยู่ภายในจิตไปตลอดสายนี่เรียกว่ามัดชิมาในขั้นละเอียดคือไหลซึมอยู่งั้นเช่นกับน้ํำซับน้ํา หรือน้ำรับน้ำคำไหลลืนหร่องั้นทั้งแรงทั้งฝนไม่เหือดไม่แห้งไม่มากไม่น้อยเสมอไปเรื่อยๆอันนี้เหมือนกันการแก้กิเลสประเพณนี้แก้จันนั้นเป็นสติปัญญาที่ละเอียดพินิจพิจารณากันอยู่อย่างละเอียดภายในรวมแล้วก็ไม่ท่านก็เรียกว่ามัชชิมาเราผู้นามาปฏิบัติ ถ้าไม่ถูกต้องเหมาะสมกับวิธีการของการแก้กิเลสประเภทนั้นๆมันก็ไม่ได้ผลเห็นกิเลสนั้นหนาความขี้เกียจก็มากความหม่อนแอ้มันต้องมากหนีร่วนแล้วต้องเป็นเรื่องของกิเลสด้วยกันแล้วความเพียรก็ต้องด้อยนี่มันจะเข้ากันได้อย่างไงกิเลสหนานั่นเองมันถึงขี้เกียจมีความทุกข์มากถ้ากิเลสบางแล้วความทุกข์ก็น้อยแต่ตอนที่เราจะทํากิเลสนั้นหนาเนี่ย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 ตนตัวบ้างสักตัวไหมกิเลสประเภทต่างๆที่มีอยู่ภายในจิตมันไม่ปรากฏเลยแล้วก็ได้แต่เวล่ำเวลาว่าเรานั่งนั่งเท่านั้นเท่านี้เวลาเท่านั้นนาทีเท่านี้ชั่วโ ม, มงสักเดี๋ยวก็มีอุบายขึ้นมาอีกแง่หนึ่งว่าเอ้ยนี่นั่งนานขนาดนี้ไม่เห็นได้เรื่องในลาวจิตใจไม่เห็นมีความสงบเราจะนั่งไปทําไมนี่ก็เป็นอุบายกิเลสหลอกย้ำเข้าไปย้ำเข้าไปอุบายของธรรมที่จะทำลายกิเลสลงไม่มี นี่แหะที่เราเสียเปรียบกิเลสเราเสียเปรียบที่ตรงนี้อุบายที่พูดขึ้นในแง่ใดก็ตามบรรดานักปฏิบัติทั้งหลายแต่ก็เห็นใจสำหรับผู้พูดไม่ใช่พูดเจตนาที่จะตำหนิตนเองนั้นตำหนิศาสนาตเหนิตำหนิอัดตำหนิธรรมแต่เรื่องของกิเลสมันก็ต้องตาหนิอัดนิ่ธรรมเป็นธรรมนราสำหรับผู้นั้นไม่มีความรู้สึกว่ากิเลสพาตําหนิเแล้วนั่งเท่านั้นชั่วโมงเท่านี้นาทีไม่เห็นได้เรื่องใน้ลาอะไรเราทําไป เสยไปลนเป็นลาเปล่าทาไาทำไ ม, ำไม เ, ออเราอยู่ซะดีกว่านานล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุบายกิเลสทั้งหมดทีนี้ตัวเองก็เลยอยู่ในกรอบของกิเลสหาทางออกไม่ได้นี่ให้เราทราบเอาไว้นี่เหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุบายของกิเลสที่จะพ่อพูนตัวเองสั่งสมตพิเมเพิ่มกําลังตนโดยลาดับเพื่อสิ่งเหล่านี้ที่ไม่พึงปรารถนา ให้ลดน้อยถอยลงไปโดยลําดับพึงคำหนึ่งสาสนาธรรมคือคำสั่งสอนของพระจ้าเฉพาะอย่างยิ่งพึงคำหนึ่งถึงพระพุท ธ, ธเจ้าผู้เป็นบรมศาสด า, ศ า, ศาท่านเป็นบรมศาสร า, า, าได้เพราะเหตุใดได้เพราะความนับเวล่ำเวลาได้เพราะความเพราะถอยอ่อนแอได้เพราะความโง่เขลาบัญญาหรือได้เพราะความขยันหมั่นเพียร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 ความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีมันก็ระงับดับลงเพราะเราย้อนขมาหาต้นตอของมันซึ่งเป็นจุดที่ถูกต้องและเป็นจุดที่ทําลายได้นี่แต่พระเจ้าท่านทรงชาระอย่างนี้เรื่องเป็นเรื่องตายเรื่องอะไรกลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้ท่านไม่ได้มาคิดเพราะเรื่องของนั้นเป็นเรื่องของกิเลสท่านเคยอยู่ท่านเคยรู้มา เ, เป็นเวลานานเห็นพิษของมาของมันเป็นมาเป็นเวลานานท่านจึงต้องพยายามอย่างเต็มความสามารถทุกวิถีทาง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 ถ้ามาด ำ, ดำเนินตามรอยของผู้เรียนเทาจะดำเนินไปอย่างไรถึงจะสมชื่อสมนามว่าเป็นศาสกยบุตรพุทธทัคโินโรตที่ปรากฏตัวว่าเป็นพุทธบริษัทเราก็ต้องดำเนินอย่างนั้นเพราะกิเลสก็เป็นประเภทเดียวกันซึ่งจะต้องดำเนินแบบเดียวกันเป็นแต่ความว่ามีมากมีน้อยต่างกันความเพียรเราก็จะต้องดำเนินไปตาม กำลังหรือสติปัญญาของตนเท่าที่กิเลสประเภทนั้ น, น, นจะสงบตัวลงไปหรือขาดกระเด็นออกไปจากจิตใจด้วยความภาคเพียรของเรานี่ใครจะนาไปปฏิบัติก็นาไปปฏิบัติเถิดจะไม่หนีจากร่องรอยของพระพุทธเจ้าจะไม่หนีจากร่องรอยของพระสาวกท่านที่ท่านแก้กิเลสได้ด้วยอุบายใดเราก็ได้ด้วยอุบายนั้นท่านถึงไหนเราก็ต้องถึงนั้น ต่างกันแต่ศัพท์ว่าช้าหรือเร็วเท่านั้นไม่มีเป็นอย่างอื่นแล้วสมนามว่าสวาขคาธรรมแท้ผู้ปฏิบัติตามสวขคาธรรมก็ปฏิบัติอย่างนั้นกิเลสก็ต้องหลุดลอยไปด้วยอำนาจแห่งธรรมนี้โดยไม่ต้องสงสัยนี่เป็นธรรมตายตัวเราจะแยกแยะไปอย่างอื่นเอาตามชอบใจของเราอย่างนี้ไม่ได้เพราะความชอบใจของเราร้อยทั้งร้อยมันเป็นเรื่องความชอบใจของกิเลส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 ประเภทกิเลสที่กลัวนั้นกิเลสก็ต้องวิ่งไงหรือว่าไงสู้เราไม่ได้มันก็วิ่งหนีตั้งแต่เราสู้มันไม่แล้วมังวิ่งหนีหรือว่าไงเราสู้ไม่ได้วิ่งหนียังไงก็วิ่งหนีจากทานยังกลมบ้างวิ่งหนีจากที่นั่งสมาธิภาวนาวิ่งหนีจากความทาความเปลี่ยนคือการลดน้อยถอยกําลังตนลงไปโดยลดำดำับที่จะเป็นเหตุกิเลสไล่ตามนั่นแหละหรือเรียกว่าวิ่งทั้งนั้นแหล ะ, ะสู้ไม่ได้ก็ถอยถอยถอย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 และจิตนี้มีกําลังมากน้อยเพียงไรที่สามารถทรงตัวไปได้ให้อยู่ในภูมินี้หรือสูงยิ่งกว่านี้ก็ต้องเป็นเรื่องของเราที่จะฟิตขึ้นมาส่งเสริมกําลั ง, งเราขึ้นมาให้มากเพื่อเอาอย่างน้อยเพื่อรับอนาคตหากจะเป็นไปอยู่ในวัฏฏฐสงสารซึ่งเป็นห้องขังนักโทษผู้มีกิเลสย่าดีนี้ก็ให้เราได้อยู่ในฐานะที่ดีบ้างะหากว่าพอที่จะผ่านพ้นหรือหลุดไปได้เหยียบย่าทำลายกิเลส มันเป็นกงจากวัตจากนี่ให้สิ้นศูนย์ไปจากจิตใจก็ทําลายลงไปด้วยความภาคเพียรด้วยสติปัญญาของเราเราอยากเข้าใจว่าสติปัญญาของเราจะไม่มีมีอยู่ด้วยกันทุกคนความเพียรอยากเข้าใจว่าไม่มีถ้าเราจะทําให้มีมีได้ทั้งนั้นนอกจากกิเลสเป็นผู้กั้นกลางให้มีความเพียรไม่มีสติปัญญาให้มีความอ่อแอเท่า น, นั้นเรื่องเหล่านี้เกิดจากกิเลสที่จะเป็นเครื่องกั้นกลางทางเดินเพื่อความพป็นต้องเราไม่ใช่อันใดไม่ใช่อํานาจไม่ใช่วาสนา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 การจำชื่อจำได้กันทั้งนั้นละเช่นเดียวเรากับเราจำชื่อของเสือนั้นเสือนี้มีกี่ร้อยกี่พันเสือก็ตามที่มันก่อความวุ่นวาให้แก่บ้านแจ่เมืองเราจำชื่อมันได้ขนานั้นยังไม่แล้วเราจำจนกระทั่งถึงโคตแซ้ให้มันก็ตามถ้าเรายังจับตัวไม่ได้เมื่อไรแล้วบ้านเมืองจะหาความสงบไม่ได้ก็คือเสือตัวที่จำชื่อได้นั้นนั้นนั่นแหละมันกออความวุ่นวาให้แก่บ้านเมืองอยู่นั่นนอกจากเราจับมันได้เสียแล้วเราจะทำอะไรก็ทำได้แล้ว ที่นี้บ้านเมืองก็รับความสงบร่มเย็นอันเรื่องกิเลสถนัดกิเลสพันห้าตันหาหน้ยแปดนอกจาก้อยแปดพัน8ปดหมื่นแปดก็ตามเติะถ้าเรานังจับตัวไม่ได้มาทำทวนไม่ได้หรือทําลายไม่ได้แล้วเราจะจําได้แต่ชื่อนั้นซักเท่าไหร่มันก็ไม่มีปัญหาไม่มีผลดีอะไรเกิดขึ้นเพราะการจําได้นั้นเลยเพรา ะ, ะนั้นเราต้องทําลายมันด้วยความภาคเปลี่ยนของเราให้ถึงความจริงของกิเลสกิเลสคำว่ากิเลสแต่และประเภทนี่มันแสดงตัวอย่างไร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 แล้วก็คล้อยตามหลงตามลงตามกันอยู่เรื่อยๆหลงตามมาเท่าไหร่แล้วล้วนแล้วตงแต่กฏมายาของกิเลสทางนั้นเรายังไม่เทราบมันเป็นกิเลสใว่าเรามีความฉลาดแหลมคมได้อย่างไรการฉลาดแหลมคมมารู้ความจริงกิเลสก็ค้นลงให้ดูให้ดีอทุกเวทนาเกิดขึ้นที่ไหนเอาค้นลงไปให้มันเห็นฐานเกิดของมันว่ามันเกิดขึ้นเพราะเหตุอะไรค้นตายแล้วมันมีเวทนาไหมดูสิ ถ้าเกิดขึ้นเป็นทุกเวทนาภายในร่างกายเอาคนตายแล้วเวทนามีไหมเอาไปเผาไปมันว่างไงเอาไปฝังดินว่าไงมันไม่ได้ว่าไงแล้วทําไมถึงเป็นทุกเวลายังมีชีวิตอยู่นี่ก็เพราะจิตนั่นแหละเป็นผู้รับรู้เพราะกิเลสนั่นแหละเป็นผู้กระสิบเป็นผู้หลอกลวงให้ยึดมั่นถือมั่นให้สําคัญว่าเวทนาเป็นตนเป็นของผลให้ถือว่ากลายเป็นเราเป็นของเราเมื่ออะไรมากรุก็ระเทือนสิ่งที่เรารักเราสมหวนเราปักปันเกลียันเอาไว้เราก็เกิดความกระตุกกระเทือนภายในปิดใจแล้วเกิดความทุกข์ขึ้นมา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 จิตจะมีความกระทบกระเทือนที่ไหนเพราะจิตเป็นผู้รู้รู้ด้วยปัญญาอย่างกระจัดแย้งแล้วอะไรจะมาทําความกระทบกระเทือนแก่จิตใจได้ท่านเรียกนั่นแหละท่านเรียกว่าเห็นความอิ่มคือสัจธรรมเราจะไปเห็นที่ไหนเห็นสัจธรรมเห็นในแบบก็เป็นแบบเห็นในกัมภี์ก็เป็นกัมภีเห็นในหนังสือก็เป็นตัวหนังสือมันไม่ใช่กิเลสมันไม่ใช่สัจธรรมที่แท้จริงสัจธรรมที่แท้จริงมันอยู่ที่กายที่เวทนาที่จิตที่ตัวของเหล่านี้เท่านั้นการทุกก็แสดงขึ้นมาที่นี่ ความที่จะพิจารณาทุกก็พิจารณากันที่นี่รู้เท่าเรื่องทุกเรื่องสมุทัยทั้งหลายก็รู้กเท่ากันที่นี่เปิดเผยกันที่นี่รู้แจ้งทั้งตลอดรู้ที่นี่ถอดถอนกันที่นี่พ้นทุกกันที่นี่นี่ท่านเรียกว่ารู้สัจธรรมรู้อย่างนี้แหละไม่ไปรู้ที่ไหนไม่ว่าครั้งบุธการไม่ว่าครั้งไหนๆสัจธรรมมีอยู่ที่กายของตัวเองที่ใจของเราทั้งนั้นการเรียนจึงเรียนเข้ามาที่นี่ย้อนเข้ามาที่นี่ปฏิบัติให้รู้เรื่องของวิดฏิจิตที่เป็นไปด้วย ทีเลตนาอสวะที่เรียกว่าสมุทรไทยเท่านั้นไม่เป็นอย่างเมื่อรู้นี่แล้วจะไปสงสัยที่ไหนโลกวะทูรู้แจ้งโลกก็คือแจ้งท่าแจ้งขันแจ้งรู้แจ้งต่อจิตใจของตนนี่เท่านั้นเป็นสําคัญนี่แหละอุบายวิธีแก้กิเลสปราบปรามรกิเลสให้ปราบปรามลงที่ตรงนี้อย่าไปรูปไปคลาที่อื่นๆรวมลงที่นี่หมดพระรไกรปิฎกก็อยู่ที่นี่นี่ ตรจักก็อยู่ที่นี่วัตจักรใจจักวางมันอยู่ที่นี่เวลาธรรมะไม่เกิดสติปัญญาไม่สามารถจิตก็เป็นใจจักหมุนไปสามภพกลางภพดูภพรูภพ พ, บ พ, บพอสติปัญญาเพียงพอแก้ขไขใจจักนี้ออกให้หมดภ า, ายใจิตใจแล้วมันก็เป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาหรือเป็นธรรมจักหมุนรอบตัว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 เราต้องการความฉลาดเราเราต้องการความแหลมคมพณจิตใจของเราเราต้องการขวาหลุดพ้นเราจึงค้น ล, ลงมาที่นี่มันถูกปิดถูกบงังถูกผูกถูกมากอยู่ที่ตรงไหนแก้ลงด้วยสติปัญญาฟาดปันลงไปจนแหลกกระจาย์ไม่มีอะไรเหลือถึงความจรงิงนวลล้วนนั้นแหละท่านเรียกว่าหลุดพ้นแล้วจากติเล็ซึ่งเคยเป็นนายลามากีกับอีกกันหรือเคยเป็นศาสตราจารย์ผ้าสอนมาเป็นนานๆได้เห็นตัวของมันและถอดถอนมันไป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 พระพุทธเจ้าเมื่อถึงนี้แล้วไม่ต้องการอะไรอีกสาวกหลายพอใครใครก็พอเมื่อถึงขั้นเรียนวิชาความรู้ที่ถึงขั้นเพียงพอแล้วพอดังนั้นเรียกว่าสมบูรณ์เต็มที่ตลอดการจึงขอุตติธรรมเทศนาเพียงตรง น, นี้